ข้อหนึ่งการช่วยเหลือผู้อื่นทำความดีนั้นเป็นอย่างไรเมื่อครั้งท่านตี้ซุนยังไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจีนสมัยโบราณประมาณ1712ถึง1665ปีก่อนพุทธศักราชท่านไปยังหนองน้ำแห่งหนึ่งเห็นชาวบ้านกำลังจับปลากันอยู่ คนที่แข็งแรงก็พากันไปยังที่ที่มีน้ำลึกปลาชุมส่วนพวกที่ไม่แข็งแรงและผู้ชราถูกกันให้ไปจับปลาอย่างที่ที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและที่มีน้ำตื้นซึ่งปลาจะไม่ชอบมาในบริเวณนั้นทำให้จับปลาไม่ได้ท่านตี้สุนเห็นดังนั้นก็บังเกิดความเห็นใจท่านจึงเข้าไปช่วยคนที่ไม่แข็งแรงและผู้ชราหาปลา ใครที่เห็นแก่ตัวชอบแย่งที่น้ำลึกท่านก็หนิงเสียไม่ไปว่าเขาใครที่ไม่เห็นแก่ตัวท่านก็นำพฤติกรรมของเขาไปสันเสริญจนทั่วท่านเองก็ทำตัวอย่างอันดีให้เป็นที่ปรากฏอยู่ทุกๆวันจนการเวลาได้ผ่านไปหนึ่งปีชาวบ้านพากันสำนึกในความเห็นแก่ตัวของตนต่างก็ทำดีต่อ ก, กันและกันในที่นี้ พ่อจะต้องบอกให้รู้ว่าพ่อไม่สนับสนุนในเรื่องการจับปลามาเป็นอาหารเพราะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นเป็นบาปอย่างยิ่งแต่ที่พ่อยกเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์ก็เพื่อให้ลูกเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้อื่นทำความดีนั้นต้องใช้ความอดทนพยายามเพียงไรทันตีซุนนั้นเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมยิ่งนัก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 อย่านำความสามารถของลูกไปข่มผู้อื่นที่ด้อยกว่าให้เขาได้อายจงเก็บความรู้ความสามารถของเจ้าไว้ในใจอย่าได้แสดงออกให้ปากฏแกสายตาผู้อื่นโดยไม่จำเป็นใครพลาดพลั้งล่วงเกินลูกก็จงรู้จักให้อภัยอย่าได้แพร่พลายความไม่ดีออกไปเพื่อให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจและเมื่อไม่มีใครรู้ก็ทำให้เขาไม่กล้ากาเริบเสบสาร เพราทุกคนย่อมรักหน้ารักตาไม่อยากเป็นคนเสียชื่อเสียงเมื่อไม่วิจารณ์ให้ความลับของเขาเป็นที่เปิดเผยออกไปเขาจึงไม่กล้าที่จะกระทําผิดอีกบางคนนั้นเมื่อมีคนรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเสียแล้วเขาก็ทําตัวเหลวแหลกยิ่งขึ้นเมื่อเป็นคนดีไม่ได้ก็ยอมเป็นคนชั่วเลยคนเช่นนี้ก็มีให้เห็นเห็นอยู่ลูกจะต้องคอยสังเกตว่า ผู้อื่นนั้นเขามีความสามารถอะไรบ้างถ้าเป็นสิ่งที่ลูกยังไม่มีก็จงรีบเอาความดีนั้นมาใส่ตนเถิดอย่าได้รีรอเลยลูกจะต้องรู้จักชมเชยสรรเสริญความดีความงามและความสามารถของผู้อื่นให้แผ่ภัยสารไปอย่าได้มีจิตริษยาในชีวิตประจำวันของลูกไม่ว่าจะพูดสักคำจะทำอะไรสักอย่าง กระจงอย่าทำเพื่อประโยชน์ของตนเองก่อนต้องถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญลูกจงจำไว้ให้ดี